วันนี้เจ้าภาพกระเป๋าทุกทุกปีนะคุณชมสลาวร้านเย็บผ้าลพบุรีถวายพร้อมกับลูกครอบครัวถวายถุงทุกปีเนะี่ยที่พวกเราได้หิ้วถุงมีคติธรรมปีนี้ก็มาอีกแล้วนะมาอีกปีที่แล้วเนี่ยเอา็ติธรรมใส่มากเกินไปไม่ใช่มากหรอก คืกติธรรมใบหนึ่งก็ใส่อย่างหนึ่งใบหนึ่งก็ใส่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาได้คนดถึงได้อันหนึ่งเราจะจะได้ทั้งหมดเลยสินกติธรรมตอนนั้นยังไม่ได้เพราะนั้นเจะเอาได้ทั้งหมดโอ้ปีนี้ไม่ได้ไปเราได้เออก็เลยเอาเอาให้มันเป็นอันเดียวเถอะมันมีเป็นถุงเดียวเถอะนี้แหละสิปีนี้เหมือนกันแจกทำมาพันุ์ก็ถุงนะ อ่านว่าอย่างไงกติธรรมปีนี้ว่าแปดพฤศจิกายน2558กรถินสามมกขีวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติธรรมจะให้ได้ผลดังใจหวังให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าข้าพระเจ้าจะให้สติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจ และหรือให้รู้สึกอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดหรือตลอดเวลาพระอิ่นถวายจันตุจโกนะนกะติธรรมปีนี้นะแต่ ว, วันนี้จะให้พวกคณะัทธา ญ, ญายมลูกหลานมาบรรจุแล้วก็เอ็มพีสามก็มาแล้วมาเมื่อคืนเนี่ยมาถึงแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดนะมีอยู่ สิแผ่นมี10บแผน่มแผนมีธรรมเทศนา8แผน่นแล้วก็ชาดกสองแผน่นรวมแล้วเป็น10บแผน่นแต่เป็นเป็ น, ปนกล่องเล็กเป็น5้าแผน่นแล้วก็กล่องใหญ่กล่องใหญ่อีกกล่องสิบแผน่นรวม10บแผน่น อ, อีกเป็นกลองหนึง่งว่าจะแจกในงานกริ่น แล้วก็จะเอาจํานวนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ MP 3มีก่อนหน้านี้ที่มีรุ่นเก่าก็คงจะแจกคลาดกันเพราะบางคนก็ได้แต่รุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไม่ได้เพราะนั้นพี่น้องมาจากจากตัวทิศมาจากทางไกลก็ควรจะได้ทั้งอันใหม่อันเก่าด้วยคลากันปีนี้นะเพราะนั้นปีนี้จะให้ ออกมาบรรจุใส่ถุงแจกเป็นของสำ่วยของที่ระลึกในงานกระถินวันที่แปดที่จะถึงนี่แหละแต่ว่าจะให้ครบไหมอันนั้นเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเพราะคนอาจจะมามากหรือมาน้อยถ้ามามากกขาคงจะไม่ครบละทำมาน้อยก็คงจะเหลือแต่ถึงอย่างไงก็เรากะเป็นพันเหมือนกันจะแจกคู่คน แต่ว่าตามไม่จริงการแจกจะได้ดีไหมถ้าเราไม่แจกก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรแจกที่ดีที่สุดในความรู้สึกของพวกเรากว่าแจกธรรมะดีที่สุดดีกว่าแจกอย่างอื่นเอถ้าคนหิวมากแจกปลาตั้งโก่ก๋วยเตี๋ยวให้ทานซะนะะ่มันหิวะเราจะแจกธรรมะก็ยังไม่ได้ในช่วงนั้นเนื่องว่าอิ่มท้องแล้วน่ะ แล้วก็ควรจะแจกธรรมะให้เป็นแนวความคิดจะหาก๋วยเตี๋ยวหรือหาปลาตังกโกูมากินในจะหาอย่างไร น, นี่คือพิธีการลอลไนีแจกแนวความคิดให้กับผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องเะฉะนั้นวันเราจึงคิดว่าแจกทำปรมเทศนาแล้ะว่าแจกแนวความคิดให้กับพี่น้องประช า, ะ ช, าชนที่ว่าจะเกิดประโยชน์ เราจึงได้แจกแต่พอแจกไปแล้วถามว่าพี่น้องประชาชนไม่เห็นคุณค่านะจุดนี่แหละจุดที่เราได้คิดนะไม่เห็นคุณค่าพอได้ไปแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างควางพอไดของฟรีเห็นเขาได้ก็ได้ตามเขาพอได้ไปแล้วก็ไม่รู้จักคุณค่าจุดนั้นนะที่จุดเราวิตกกังวลแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาไดไปแล้วกเราก็ไม่รู้เออ ถ้าใครมากะถามซักไซไล่เลียงถามทุกคนอได้ออกไปแล้วจะไปฟังไหมมีเครื่องฟังไหมกว่าจะแจกได้แต่ละคนนึงก็คงจะเสียเวลาไปไม่รู้เท่าไหร่เพราะนั้นเราผมใครต้องการก็โยนให้เอหมอกไพหมอกไพหมอกไพหมอกไอไแต่ผู้ที่เอาไปนั่นแนหะเอาไปฟังแล้วเอาไปทิ้ง หรือเอาไปขายไปดีใช่ข้อรหรือว่าเอาไปมัดใส่ท้ายรถจีบล้อให้มันแสงสะท้อนแวววับหรือเอาไปไล่มแมลงวันตามร้านค้าร้านร้านค้าร้านอาหารมแมลงวันมันเยอะมาตอมอาหารของที่จะทําอาหารเอาไปแขวนไว้มันสะท้อนแสงไปตาถึงตามแมลงวัน เ อ, อก็เคยเห็นเนี่ยหลวงพ่อกอนไม่ใช่ไม่คิดนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันพ่อลงทุนแต่ละครั้งเนะี่ยเอามาแจกพี่น้องประชาชนหมดไปหลายแสนนะแต่คราวนี้ก็เหมือนกันเอ็มพีสามชุดนี้ก็หมดไปประมาณสักสามสี่แสนกว่านะเกือบห้าแสนแเงินห้าแสนถ้าว่าเราถ้าหาว่าไม่ นั้นจริงเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่สำหรับหลวงพ่อเองก็หลวงพ่อว่านักแต่คิดว่าเกิดประโยชน์หรือจะได้นำมาเอามาเผยแร่เอามาแจกเป็นธรรมทานแต่บางทีก็เอาของหลวงตาบ้างแต่ของหลวงตายังเหลืออยู่เาขาคงคราวนี้คราวนี้ก็คงจะเอาหลวงตามาแจกคระกัน เ, เพื่อได้ฟังหลวงตาแล้วก็ฟังของหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเสร็จแล้วฟังของหลวงตา แต่หลวงตาเนี่ยเป็นต่อยอดนะแต่ของหลว ง, งพ่อปูพื้นฐานทาคาพูดของหลวงพ่อเนี่ยปูพื้นฐานแต่พวกเราบางคนไม่ได้ศึกษาธร ร, รมะมาก่อนไปฟังของหลวงตาไม่เข้าใจเพราะเหตุไรเพราะหลวงตาท่านพูดธรรมะขั้นสูงเมื่อเขาสอนผู้ที่ได้รับการศึกษาดีแล้วนะ เขาสอนปริญญาตรีปริญญาโทนะเน่ยเราไปฟังเลยมันไม่เข้าใจหรอกแต่มัต้องสอนสองสอนครูครูกอไก่ก่อนกอไก่ขอไข่เราจึงจะเข้าใจเวลาสมสรระสมสระเข้าไปเพราะนั้นธรรมะธรรมคำสอนขององค์หลวงตากับหลวงพ่อกลักษณะอย่างนั้นแหละลูกหลานอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่แนะนำํำส่วนที่จะฟังอย่างไงให้พวกลูกหลานฟังก็แล้วกันที่หลวงพ่อแนะนำเลยจริงไหมนั่นอนะ วันนี้เป็นวันที่ห้าพุทธิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเอกไม่กี่วันข้างหน้าวันที่แปดเป็นวันกระถิ่นนะพี่น้องสัตยาญาติโยมลูกหลานเพราะว่าลุงพ่อพูดทุกวันก็เพราะเหตุว่าเห็นพี่น้องต่างหน้าเข้ามากันหลายคนเพื่อจะได้รู้งาน กระถินสามคีของพวกเราแล้วก็ผู้อยู่ข้างในก็ช่วยกันดูความพร้อมแต่หลวงพ่อดูดูแล้วก็ประมาณ 70% เอ70งานนะเ0จะเข้า 80% งานของพวกเราที่พวกกลางตรงกลางเต้นพวกสถานที่ต่างๆแต่ถึงยังไงก็ให้คู่บาทาั้งหลายช่วยๆกันเรื่อง น้ำเรื่องน้ำเลยนะข้อสำคัญเรื่องน้ำคนมามากอย่าชะล่าใจเรื่องน้ำต้องเตรียมพร้อมให้ตั้งผู้ดูแลให้ชัดเจนเรื่องน้ำถ้าว่าเรื่องไฟก็ยังเป็นรองยังเป็นรองอยู่นะเรื่องเป็นไฟจาเป็นใช้กลางคืนท่านเองแต่เรื่องน้ำมันจำเป็นใช้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดืองหงงนองห้อ ง, งน้ําพราะคนมากครับแต่นในพวกพระลูกหลานทั้งหลายช่วยกันใจใจอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญบริเวณเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกัร น, นะลูกหลานอันนี้แหะคือส า, สาธารณประโยชน์ถ้าว่าผู้ใดเข้ามามาวัดของเรามาบําเพ็ญกุศลมาบําเพ็ญทานศีลภาวนาแต่พวกเราอํานวยความสะดวกให้กับเขา อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราอำนวยความสะดวกเนะเกิดมาพบไรชาติใดพวกเราก็จะได้ไปที่ไหนก็สะดวกเพราะอะไเพราะคนที่มาทำบุญกับเรานะมาทาบุญที่วัดเราอำนวยความสะดวกให้กับเขาเพราะนั้นอาณิสงแห่งการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาบำเพ็ญกุศล ตัวนั้นแหละ เ, เราไปนัดสถานที่ใดใครใครๆกาอำนวยความสะดวกให้ทั้งที่มันจะขัดขออ้องในการเป็นอยู่เขาเอื้ออํำนวยทั้งหมดนี่แหละอเ น, นสงมันมีนะลูกหลาน อ, อ, อย่างพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติ เ, เป็น คนบ้านนอกแต่เป็นคนจิตใจกว้างขวางแต่ท่านที่แรกท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายพอไปเห็นไปดูหนังฟังรำไปดูหนังฟังรำฟังดนตรีก็ไปปัดกวาดที่ตัวเองนั่ง ติดตัวเองนั่งติดตัวเองยืนปกวิบัําความสะอาดให้เกลี้ยงเตียนแต่ได้คนกอมาแย่งมาแย่งที่นั่งมาแย่งที่นั่งของตนเองท่านก็แยกให้ท่านก็หลบไปไม่โกรธไปไปทำอีกทำความสะอาดอีกคนก็เข้าไปแย่งอีกท่านก็ให้อีกท่านว่าเออคนของคนเราเนียชอบชอบสะดวกสบาย่ะ เออนี่แหละเป็นต้นเหตุชอบที่โล่งๆชอบที่นั่งสบายเพราะนั้นเราควรจะอำ น, ว ย, อนวยความสะดวกให้กับเข า, เ า, เาจากนั้นก็เนี่ยทำขึ้นทำศาลาบ้างทำทาที่พักของคนบ้างทำบ่อน้ำให้คนใช้บ้างนี่แหละเท่นีน้จากนั้นก่อน คนทั้งหลายกเออได้รับความสะดวกสบายมาพักผาอาศัยเออก็ยังคิดไปอีกอา้าวการเดินทางเนี่ยไม่ต้องปรับถนนโหนทางให้เตียนให้โล่งท่านก็ทําถนนโหนทางแตอนนี้พวกหมู่พวกเพื่อนเข้ามาเห็นอ้าวแต่แกทําอะไรโอ้เอผมอยากจะทําถนนให้คนเดินเนี่ยเพราะคนมันเดินลําบากเออเอาดังนั้นผมมาช่วยด้วยเออเอามาเข้ามาเออ เข้ามาทานนี้กัมีทั้งคนทั้งสามสิบสามสิบสองคนเข้ามาช่วยทําถนนผลทางไปบ้านนั้นบ้านนี้อำนวยความสะดวกจนเดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินอีกวันเนี่ยคงจะเมืองเล็กมัก้งฟ้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าเนี่ยเขาจะพัฒนาเขาจะทําอะไรเหมือนกับจะยึดประเทศ หามวลชนหามวลชนขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านพระเจ้าเป็นดินลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าแปนดินก็ส่งคนมาถามเรียกขึ้นไปคนนั้นกับ อ, อุบาสกคนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เราเห็นความต้องการของเพื่อนมนุษยชาติต้องการความสะดวกสบายข้าพระเจ้าก็ได้ทำอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนมนุษย ข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมดโอ้ดีพระเจ้าไปเินเลยให้ช้างมาตัวหนึ่งเอาเอาช้างไปเป็นหมู่เพื่อนอีกตัวหนึ่งนะ เ, เพื่อไปทำถนนไปไปเจอขอนไม้ใหญ่ๆคนคนคนหมดกาลังคนให้เอาช้างหนุนโห น, นออใช้กำลังช้างดุนดุนออกไปเลยก็ได้ช้างตัวหนึ่งขึ้นมาอีกไง พอได้ช้างตัวนจะได้เทียวไ อ, ไอหัวหน้านี่กันนะทำถนนโหนทางที่ไปเจอคอนไม้ตอไม้ก่อนหินเพือ่อจะให้ช้างดึงดันออกไปไช้างตอนก็ใช้ประโยชน์แปลว่าช้างตัว น, ก, น, นกับคนสามสิบกว่าคนเป็นหมู่เพื่อนกันเลยล่ะต่อมาก็มาสร้างศาลาขึ้นมาแต่ว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนะี่ย มีเมียทั้งสี่คนหมเอมีมีภรรยาทั้งสี่คนนางสุธรรมานางสุจิตตานางสุนันทาและนางวิจิตาสามสี่นางผลที่สุดไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องการทำงานถ้าผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องมันเลอะแหลกไม่ให้ผู้หญิงมาเกี่ยว เราเปิปี่ยนภูนาที่ทำงานแปลกเหมือนกันนะแต่เนี้พอต่อมาอีกอย่างทั้งเมียสี่คนเนี่ยต่ออเราควรจะมีส่วนร่วมนางคนนึงก็เมื่อเขาไปสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยศาลาขึ้นมาที่พักแขกคนนางสุธรรมเนี่ยก็เสนอให้คนไปพูดว่าต้องการต้องการไหม เอสวนดอกไม้ทางหัวหน้าเนี่ยเขาบอกต้องการะแต่ไปลวกใครเอามา น, ะนางเนี่ยคนหาคนเขไปช่วยอเลยแตนะ่หาคนไปช่วยดอกไม้ไปใส่ทําสวนแต่นางไม่ไปใกล้นะพวกเขาไม่ให้ไปใกล้อตมากับคนหนึ่งก็ยกช่อฟ้าขึ้นมาคนหนึ่งก็ทํำสระน้ําขึ้นมาเอแต่เบียอีกคนหนึ่งมแีแต่แต่งตัวให้สวย อ่ า, อาผลที่สุดอานในสงแห่แห่งการอำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อนมนุษย์ชาติเนี่ยนะอ่อัอนในสงในการทําความดีให้แก่เพื่อนมนุษชาติได้รับความสะดวกสบายมีจิตใจกว้างขวางนอ่ถ้าแก่ที่เป็นหัวหน้าตายนะพอตายขึ้นไปนะไปอยู่เป็นเกิดเป็นพระอินทร์ในบนสวรรค์นอ่เป็ดอินบนสวรรค์ แล้วก็ามูพกเพื่อนอีกสามสิบกคนก็ขึ้นไปเป็นบริวารอีกเนี่ยแล้วก็ช้างตอนนั้นก็ขึ้นไปเป็นช้างเอราวัณเจ้าว่าช้างสามเสียงเจ้าว่าช้างสามเสียนอที่นั่เนเป็นช้าง เ, เออทีิพย์อินขี่คอหนึ่งจากนั้นก็เทวบุตรขี่คอคนแล้วขนละคอกันเน่ยช้าง เ, าเกิดมาชาตินี้ก็เป็นช้างขึ้นไปเป็น ที่พระบูตเ ท, ท, ท, ที่ยวเวาให้กันเป็นช่างที่บูตช่างนีน่ลหละแต่นางเบียของออมานพนีน่ได้ขึ้นไปสามคนแต่คนหนึ่งคนที่แต่งตัวไม่ได้ขึ้นไป เ, เ, เพราะเหตุไรเพราะไม่ได้สร้างสังสมบุญกุศลไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญมีแต่คิดว่าเมื่อสามีทาแล้วก็ตัวเองเหมือนมันไในบุญเหมือนกันนั่นแหละ เพราะสามีของของเราเป็นผู้ทำแต่สามีธทำก็ได้แต่สามีที่เมื่อสามีกินข้าวตัวเองจะไปอิ่มท้องได้ยังไงใชอเพราะฉะนั้นต้องมีสวนร่วงตอนนี้พออินางได้ตายเมียคนที่สี่ตายคนสวยงามกว่าเพื่อนี่ยแต่พระอินรักนะอะมานพ น, นก็ชอบรักเมียคนนี้แหละคงคงเป็นเมียคนชุดชุดชุดท้ายมาั้ง ก็ตายไปแล้วพิดเกิดเป็นนกกระยางอีนางนี่นะอย่างเป็นนกกระยางนะอยู่ในหนองน้ำแห้งอยู่ในป่าดงหากินปูกินตะ ก, กะแตนกินหอยอกินกบกินเขียดตีมักระโดดอยู่แถวนั้นนะอยู่ในป่านกกระยางพระเอ็นเลยขึ้นไปบนสวรรค์แล เ, เห็น ท, ทั้งสามคนขึ้นมาหมดแต่ยังอิน เมียกุดุดท้ายทําไมไม่เห็นวะเขาไปไหนวะพอมองด้วยทิพนเ น, รรเนรปปรตรทิพนเนตคือทิพยักษุหมองเห็นโอตายเมียของเราคนนั้นไปเป็นเกิดเป็นนกกระยางอยู่ในป่านะ่อยู่ในหนองหนองสระหนองน้งนําแห้งๆอย่างนี้พระอิน์ก็เลยจําแรงลงไปปรงไปทเนี่ยเหมือนกับเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับเป็นนันทมานพเก่าน่ะ ไปลงไปเอ๊ะไปไงตาแก่เป็น อ, อะไรโอ้ตึกแก่ทาอะไรทําไมมาเกิดเป็นอย่างนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ทดําผุนป่ะอยากจะไปสวรรค์ไหมอยากจะไปดูไหมที่อยู่ของของเรานกกระยางก็อยากจะขึ้นไปดูพอขึ้นไปดูได้เนยพระอินทร์เอาขึ้นไปไปนกกระยางขึ้นไปบนสวรรค์นกกระยางก็ไปเห็นปาฏิหารความ ผาสุขของบนสวรรค์พอไปเห็นนางสุธรร ม, มานางสุจิตตานางสุนันทาเนะี่ยที่เป็นเมียเก่าพวกนั้นมันกี้อิจฉากันอยู่แล้วใช่ไหมพ่อไปเห็นขึ้นมาโอ้นกกยางนะี่ยก้มหน้าเลยรอย่างเงี้ยเนี่นอยอายเขากันเอีก็บอกให้บอกให้พระเอ็นโอ้ยขอให้เอาฆ่าลงไปเร็วๆโดยเถิดมวยอายอย่างเง้ย น, นกกระยาง ก, ก็อายเป็นเหมือนกันนะ่ะ พอในสุดเอานกกระยางลงมาลงมาก็มาปล่อยไว้ที่สะพระอินทร์ก็เลยบอกว่านกกระยางถ้าเธออยากจะขึ้นไปอยู่สวรรค์กับเรานะให้มีศีลห้าต่อไปนะั้จะให้มีให้มีศีลห้าอย่าไปฆ่าสัตว์นะอเนี่นะพระอินทร์ก็สอนศีลห้าให้นกกระยางก็ถืออย่างเคร่งครัดเอนันนะพะอยากจะขึ้นไปอยู่กับพระอินทร์เนี่ยไปเห็น ความเป็นอยู่ของพระอินท์ของสามีแล้วเนี่ยพระเทวสุดก็เลยตะแก่ก็เลยรักษาชินห่านกกระยางพระอเอิน์เอะนกกระยางงมันจะรักษาชินห่าจริงหรือเปล่านะอะอแต่นี้ก็พระอินทก็เพิดไปทดลองนะเอะเห็นนกกระยางมันก็หิวหิวอาหารใช่ไหมมันก็ไม่กล้ากินพกกะตะ ก, กระแดนพวกกบเขียดตัวเล็กๆน้อยๆมันไม่กินแหละท่นี้ แล้วก็พระอ็นก็กระโดดนิรมิตตัวเองเป็นเขียดเป็นเขียดตัวลเล็กๆกระโดดไปพอกระโดดไปเนี่ยก็ไม่ใช่พอพระอินไปก็เห็นเอพอกระโดดไปก็ชักเหนียวเดาเดาเดาตายมันอนกกระยางก็วิ่งมาเห็นมากบเขียดมันตายใช่ไหมล่ะอมันตายแล้วก็แน่นิ่ง นกกระยางกัเขียดเขียดดูมันตายไหมเนี่ยเขียดตัวนี้มันตายไหมเนี่ยมันจะกินแล้วมั น, มนหิ ว, ลวเลยนะนกกระยางก็หิวเหมือนกันแต่ที่พอมันจะกินเน่พระเอินกับนิลิมิตรกระโดดไปกระโดดกันกกระยางก็เฉยไม่กินเพราะเขียดตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่นะพระอินโอนกกระยางตัวนี้ เ, เขารักษาศีลห้าได้จริงๆ เออจากนั้นพระองค์พระอินก็หายปั๊ขึ้นบนสู่สวรรค์เออเขารักษาศินห้าได้จริง น, นกกระยางตัวนี้เออจากนั้นพอไม่นานมันไม่ได้อาหารกินใช่ไหมนกกระยางแล้วก็ได้ตายใชพอตายได้ขนาดนั้นขึ้นไปสู่ไปปูสู่สวรรค์เพราะอันนี้สงสินไปอยู่กับสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นบริวารของพระอินทนี่แหละ สะหลบนะคือหลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่ที่แรกมนุษย์ชาติต้องการความสะดวกสบายไปในสถานที่ใดเนี่ยต้องการความสบายเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นเจ้าของถิ่นถ้าเราอยากจะได้บุญเหมือนกับอนันทมานพนะอ่เราก็อำนวยความสะดวกให้กับเขาอ่าอันไหนที่จะเป็นประโยชน์มีน้ํมามีมถาม่ามีอะไรอันในสงเหล่านั้นอันในสงที่ทําประกอบคุณงามความดีเหล่านั้นอ่ะมันไม่ไปไหนนะ มันก็มาหาสู่มาหาสู่มาสู่จิตใจของพวกเราแต่หากว่าพวกเราไม่ได้สร้างไว้เห็นคนอื่นทาแล้วก็ชยอยมันก็จะเป็นแบบนกกระย่างนอพอเขาไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าตัวเองก็บาปกรรมที่ไหนก็ไม่รู้เลยวนะิญญาณก็ออกจากร่างร่างของมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระชาได้ทั้งนั้นก็ยังนับว่าดีนะพระ อ, อินทร์ท่าน ยังเมตตมีเมตตาเพราะท่านยังมีทัทิพประจักษสุมองเห็นได้ว่าใครไปเกิดณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดท่านจึงได้มาเกื้อกูลมาช่วยเหลือจนนางวิจิตตาจึงขึ้นไปสู่สวรรค์ได้นี่แหละการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนประกอบคุณงามความดีเอาเถอะ ถึงจะเราไม่ได้ปูดไปสู่สวัสด์์ก็เถอะถ้าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ไปนัสถานที่ไห i, มีน้ำใจมีเมตตาอาือา้ออำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อนมนุษย์ชาติเพื่อนมนุษย์ชาติก็รักเคารพนับถือคนคนนั้นไม่ใช่เหรอถ้าคนใดไปที่ไหนก็ตามมีแต่รังเกียจมีแต่โมโหโกธามีแ ต, แต่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นคนนั้น จะไปอยู่มสถานที่ใดใครก็เกลียดทั้งหมดเพราะอะไรเพราะ ไ, าะาไม่เอื้ออำํำนวยไม่ให้ความสะดวกสบายยังอิจฉาพยาบาทายังดูพูดดูด่าว่ากล่าวอีกอแสดงอาการอากัปกิริยาลังเกียดเดียดสันอีกอคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีอีกอกับคนอื่นก็ทําให้คนอื่นไม่สบายใจ เราจะเป็นบุญกุศลได้ยังงเป็นบาปอกุศลเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาในโลกนี้มันต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยนั่นแหะคุณงามความดีจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้พูดถึงเรื่องสวรรค์นะเรื่องของมนุษย์สมบัติการสร้างมนุษย์สมบัติการสร้างสวรรค์สมบัติแนวหนึ่ง แต่ว่าสร้างพรมสมบัติน่นคือต้องภาวนานต้องภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้อ่านให้ฟังจิตติอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นการสร้างพรมสมบัติจากนั้นก็เมื่อสร้างพรมสมบัติแล้วก็สร้างอริยะสมบัติพระโสดาสกขทากาอนาคาอรหันอันนั้นคือสร้างกิตใจแต่ที่หลวงพ่อโพูดให้ฟังคือสร้างสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติต้องสร้างอย่างนี้นะ อาต่อ น, นี้ไปรับพร น, นะท่านนี่พระสงอนุโมทนาให้พร